จะดอนปล่อยท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาหาพระพุทธพระธรพระสงฆ์ใ้เป็นที่พึ่งทางใจเพราะมีความศรัทธามีความเชื่อว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราให้หายไปให้หมดไปได้นอกจาก พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นเราจะมีสัทเทือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในการตัดสรู้ของพระพุทธพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีความรู้ที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้และเป็นความรู้ที่ทำให้ผู้ที่รู้และปฏิบัติตามได้ ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจไปได้หมดสามารถหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือความศรัท ธ, ธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นนักปราชญ์เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรู้ความสามารถที่ไม่มีใครในโลกนี้จะ เสมอเท่าได้ถ้าจัดอันดับก็เป็นนักปราดอันดับหนึ่งของโลกมีความรู้เหนือกว่าผู้ที่มีความรู้ต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะไม่มีใครในโลกนี้ต่อให้เป็นนักปราดหรือเป็นผู้จบอริญยาต่างๆมาก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจได้มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเราจงมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่เป็นความจริงที่พวกเราสามารถพิสูจน์ได้ไม่ใช่เป็นคำพูดลอยๆที่ไม่สามารถนำเอาไปพิสูจน์ ได้ว่าจริงหรือไม่เหมือนแบบที่มีคนชอบมาหลอกลวงว่าให้ไปลงทุนซื้ออะไรแล้วจะได้เงินได้ทอง ม, มามากมายแต่พอไปทำเข้าจริงๆก็ขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นการหลอกลวงเป็นการไม่พูดความจริง แต่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่เป็นความจริงที่ผู้ที่ปฏิบัติจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานี่เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าทรงตัดสั่งรู้ว่าเกิดจากความอยากต่างๆของเราเองไม่ได้เกิดจากใคร เวลาเราร้องโผงร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนี้ไม่ได้มีใครมาทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับมี <_ d> um> แต่ความอยากของเรานี้เท่านั้นที่ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจ <_ d> um> เช่นเวลาเราเสียคนที่เรารับไปที่เราเศร้าโศกเสียใจเพราะเราอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไป <_ d> um> เราอยากให้เขาไม่จากเราไป ความอย่างนี้ต่างหากที่ทำให้เราทุกข์ใจกันแต่ถ้าเรารู้ความจริงว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องมีการพัดภาคจากการเป็นธรรมดาก็าะจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทุกคนถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจไม่อยากให้เขาอยู่กับเรา หรือไม่อยากให้เขาจากเราไปเพราะเราไม่สามารถที่จะห้ามเขาได้นั่นเองแต่เราสามารถหากห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้นี่นี่คือนี่คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันเรากลับมาคิดว่าความเศร้าโศกเสียใจของพวกเราเกิดจากการที่เราเสียบุคคลที่เรารักไป เสียสิ่งของที่เราลักไปแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วด้วยการหยุดความอยากเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็มีความเศร้าโศกเสียใจเวลาเสียคนที่รักไปหรือมีความหวาดกลัวเวลาที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่หลังจากที่พระองค์ได้ศึกษาได้ค้นคว้าหาสาเหตุของความไม่สบายใจของพระองค์ พ อ, องค์ก็ทรงค้นพบว่าเกิดจากความอยากของพระ อ, องค์เองอยากให้สิ่งที่รักนั้นอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันจา ก, กันพอเกิดเวลาจากกันขึ้นมาก็เสีย อ, อกเสียใจแต่หลังจากที่พระ อ, องค์ทรงรู้ว่าเป็นความอยากที่ทำให้พระ อ, องค์เสีย อ, อกเสียใจพระ อ, องค์ก็เลยหยุดความอยาก พอหยุดความอยากได้เวลาสูญเสียอะไรไปก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยแต่การที่จะทำให้เราหยุดความอยากได้นี้เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะอยู่ดีๆตอนนี้เราจะหยุดความอยากไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังสู้ความอยากนั่นเองเวลาเราอยากได้อะไรนี่เราหักข้ามใจของเราไม่ได้ งโดยเฉพาะของที่เราติดเช่นเครื่องดื่มชนิดต่างๆน้ําชากาแฟสุราเมรัยพออยากแล้วนี่ห้ามใจไม่ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะห้ามใจได้แต่ถ้าเรารู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากดื่มเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็ถ้าเรา หยุดความอยากไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ส่งมอบเครื่องไม้เครื่องมือให้กับพวกเรามาหยุดมันเครื่องไม้เครื่องมือนี้ที่จะหยุดความอยากของเราได้ก็คือการปฏิบัติธรรมการเจริญสติพราะสตินี้จะหยุดความคิดของเราถ้าเราหยุดความคิดของเราได้เราก็จะหยุดความอยากของเราได้ เช่นถ้าเรากําลังอยากดื่มเครื่องดื่มอะไรสักอย่างหนึง่งแต่เรารู้ว่าดื่มแล้ามันเป็นอันตรายทําให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นทําให้เป็นเบาหวานหรือทําให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาในร่างกายแต่ถ้าเราไม่มีสตินี้เราจะหยุดไหมไม่ได้ ก็ใจจะคิดถึงเครื่องดื่มที่เราอยากจะดื่มอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้ลืม เ, เครื่องดื่มที่เราจะดื่มได้เราก็ความอยากที่จะดื่มเครื่องดื่มนั้นก็จะหายไปได้นี่คือสิ่งที่เรายังไม่มีกันก็คือกำลังที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากภายในใจเราจึงต้องมาฝึกฝนมาหัด สร้างสติกันขึ้นมาเพราะถ้าเรามีสติแล้วเวลาเราคิดถึงเรื่องใดแล้วทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราเสียใจเราก็หยุดความคิดนั้นพอเราหยุดความคิดนั้นได้ความไม่สบายใจความเสียใจก็จะหายไป <c oughs> เช่นสมมุติว่าเมื่อวานนี้มีคนเข้ามาพูดทําให้เราเสียใจไม่พอใจวันนี้ถ้าเรายังไปคิดถึง สิ่งที่เขาพูดอยู่ตอนนี้เราก็ยังไม่สบายใจไม่เสียใจได้อยู่แต่ถ้าเรามีสติหยุดความคิดไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งที่เขาพูดเมื่อวานนี้พอเราไม่คิดความเสียใจก็จะหายไปความเสียใจของเราเกิดจากความอยากไม่ให้เขาพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับเรา เช่นพวกเรานี้ชอบให้คนสรรเสริญแต่ไม่ชอบให้คนตำหนิว่ากล่าวตักเตือนหรือนินทาพอถูกว่ากล่าวตักเตือนนินทาก็จะไม่พอใจจะเสียใจแต่ถ้าเราอยากจะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องห่มร้องไห้พระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องมาหยุดความอยากไม่ให้เขา นินทาว่าเก่าตักเตือนเราด้วยการใช้สติคืออย่าไปคิดนะถ้าเราใช้สติได้แล้วขั้นต่อไปท่านก็สอนให้เราใช้ปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาได้ต่อไปใครจะด่าเราใครจะว่าเราเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยปัญญานี้คืออะไรคือคือเห็นว่าคาพูดของผู้อื่น นั่นเป็นสิ่งที่เราไปห้ามไม่ได้ไปควบคุมบังคับไม่ได้เป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องเสียงลมพัดนซึ่งเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เวลาฟ้าร้องเวลาลมพัดส่งเสียงดังเราเสียใจไ้ยเราเดือดร้อนั้ยเราไม่เดือดร้อนอะไรเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีความอยากไม่ให้เสียงนั้น ให้ไม่ไม่ให้มีเสียงฟาลองไม่ให้มีเสียงหลมพันนั่นเองอย่างตอนนี้เสียงสุนัเขเห่าถ้าเราอยากให้เขาหยุดเราก็จะไม่สบายใจวุ่นวายใจจะลำคานใจแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าเราไปห้ามมันไม่ได้เราไปสั่งมันไม่ได้ไปหยุดมันไม่ได้เวลามันจะเหา่าก็ปล่อยมันเห่าไป พาเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อน<ม>เสียงคนดา่าเราก็เหมือนกับเสียงสุนัขเหานี่แหละถ้าเราคิดว่าเป็นเสียงสุนัขเหาเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดอะไรนี้มันเป็นเรื่องของเขาเขาคิดอะไรเขามีอารมณ์อะไรเขาก็คิดไปพูดไปตามอารมณ์ของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้อาจจะห้ามได้บางครั้งบางคราว แต่บางเวลาก็ห้ามไม่ได้เช่นบางเวลาเราก็อาจจะไปพูดปรับความเข้าใจกันพอเขาเข้าใจแล้วเขาก็ไม่มาด่าเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะไปปรับความเข้าใจเราจะทุกข์ถ้าเขาพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเราทำใจมีปัญญาว่าคนในโลกนี้มีต้องเป็นล้านหลายร้อยล้านคน เราจะไปห้ามเขาให้พูดในสิ่งที่เราไม่ชอบได้อย่างไรเขาก็พูดไปตามความต้องการของเขาแต่เราไม่จำเป็นจะต้องทุกข์กับเขาถ้าเรารู้ต้นเหตุของความไม่สบายใจของเราว่าเกิดจากความอยากของเราที่ไม่อยากให้เขาพูดในสิ่งที่เราไม่ชอบเท่านั้นเองนี่คือความรู้ที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบว่า ความทุกข์ของเราทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดจากอะไรเลยเกิดจากความอยากของเราและเรายังไม่สามารถหยุดความอยากของเราได้เราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันมาสร้างสติกันมาทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วก็มาสร้างปัญญากันให้ฉลาดให้รู้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ ใครจะอยู่กับเราใครจะจากเราไปนี้เราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ใครจะดา่าใครจะชมเราเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เท่าของเงินทองต่างๆจะมาหรือจะไปเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้บางทีเราอยากจะให้เขามาเขาก็ไม่มาเวลามีเราไม่อยากให้เขาไปบางทีเขาก็ไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้ เหมือนกับเรารู้ว่าเราห้ามฝนฟ้าอากาศไม่ได้เราห้ามฟ้าฟ้าร้องไม่ได้เราก็ไม่มีความอยากให้ฟ้าไม่ร้องพอฟ้าร้องเราก็ไม่เดือดร้อนหรือเวลาฝนตกเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามฝนฟ้าอากาศไม่ได้ฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศทั้งหมด เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งได้ทุกครั้งไปบางเวลาเราก็สั่งได้แต่บางเวลาเราก็สั่งไม่ได้บางเวลาเราห้ามได้บางเวลาเราห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ที่เราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้เราก็ต้องอย่าไปอยากให้เข า, เาไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ ปล่อยเขาเป็นไปเขาอยากจะเหา่าก็ปล่อยเขาเห่าไปเขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเขาอยากจะทําร้ายเราถ้าเราหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาทำร้ายไปแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์เช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนพระที่จะไปอยู่ในสถานที่เป็นมีคนที่ไม่มี มิตรไม่มีมิตรภาพพระพุทธเจ้าบอกจะไปอยู่กับเขาได้แลวท่านก็นตอบว่าไม่เป็นไรผมทำใจได้ถ้าเขาไม่ชอบเราเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเรา <manière. S 1> ก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเรา <unknown S 1> ก็ให<ร>้ ค, <Harry. S 1> คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ให้คิดว่า เกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องตายกันก็ดีจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปจะไม่ต้องมาอยู่มาทุกข์กันวุ่นวายอย่างที่เราต้องทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้นี่คือความคิดของพระที่ท่านมีปัญญาที่ท่านยอมรับกับสภาพความเป็นจริงต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ท่านจึงไม่ทุกข์ร้อนกับความตำหนิตีเตียนกับการดุด่าว่ากล่าว กับการทุบตีหรือฆ่าฝันอย่างเช่นพระมูกกลานะท่านเป็นพระอาหารหันต์เป็นลูกศิษย์อักรวะสาวกของพระพุทธเจา้าแต่ท่านก็มีกรรมเก่าท่านก็มีคนจะคอยตามฆ่าท่านท่านมีอิทธิฤทธิมีความสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศหลบลีกบุคคลที่จะมาพยายามฆ่าท่านได้แต่ท่านกลับไม่ทา ท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องของกรรมถ้าหลบวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะตามมาเขาจะตามมาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการทำถ้าตายจากการในชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้าก็ไปเจอกันอีกท่านเลยตรงว่าเป็นกรรมของท่านท่านก็เลยไม่หลบหนีปล่อยให้เขาฆ่าไปแต่ใจของท่านไม่เดือดร้อน ใจของท่านไม่มีความอยากอยู่หรือไม่มีความอยากตายอยู่ก็ได้ตายก็ได้เท่ากันเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นร่างกายท่านเป็นใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้จะถูกเขาฆ่ า, าหรือไม่ถูกเข้าฆ่าก็ต้องตายอยู่ดีท่านจึงปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมไปโดยที่ใจของท่านไม่มาวุ้นวายไม่มาทุกข์ไม่มาเดือดร้อน กับความเป็นความตายของร่างกายนี่คือสิ่งที่ท่านได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าจนรู้ว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนั้นเกิดจากใจของท่านเองพอท่านมาปฏิบัติมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาได้ท่านก็สามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้พอท่านหยุดได้แล้ว ความทุกข์ต่างๆก็หมดไปแล้วการจะมากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็หมดไปเพราะเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากต่างๆที่เรายังมีอยู่ภายในใจของพวกเรานี่เองแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมได้สร้างสติได้สร้างสมาธิได้สร้างปัญญาขึ้นมาเราจะสามารถหยุดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้พนะอไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็ไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมามีร่างกายที่เราจะต้องมาคอยเลี้ยงดูแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมคำสอนของ พ, พ่พ ร, สงสงพระพุทธเจ้าในพระอาริยสงสาวกของพ่อระพุทธเจ้าว่าท่านจะสามารถสอนเราบอกเราใหเราดับความทุกข์ภายในใจต่างๆใหหมดไปได้ทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราปลูกฝังศรัทธาความเชื่อนี้ให้แน่วแน่ ด้วยการหมั่นฟังเทศฟังธรรมหมั่นศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาภาพรประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงสารลกทั้งหลายแล้วนำเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเราเริ่มเห็นผลเราก็จะมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปจนเป็นศรัทธาที่ไม่มีวันเสื่อมคลายแล้วเราก็จะได้ ดับความทุกข์ภายในใจต่างๆที่มีอยู่นี่หมดไปต่อไปเราจะไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลกังวายกระสับกระส่ายกับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆเพราะเราได้ทำลายต้นเหตุของความไม่สบายใจต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งสอน จึงขอฝากเรื่องของการมีศรัทธานี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาตายมีพระพุทธพระธรรมพระสง์ ย่งปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณสุขะภละโดยทั่วหน้ากันเธอ